ท่านคะคงจะจําได้ที่่านเคยกลับเรียนถามท่านในลักษณะที่บอกว่าขณะขับรถเนี่ยพยายามที่จะมีสมาธิรู้อยู่กับลมหายใจอ <ül> แล้วก็พบว่าอึดอัดมากอึดอัดข้ามวันข้ามคืนนะคะจำได้จำได้ไดเป็นความทุกข์เลยแบบไม่สบายขึ้นมาอืในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นทุกครั้งที่พยายามที่จะรู้ลมหายใจขณะขับรถอืแต่พอได้มากลับเรียนถามท่านอาจารย์และท่านอ า, าจารย์อธิบายนี่ก็พยายามไปปรับ ก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่สามารถทำได้ทุกครั้งที่ขับรถเท่านั้นเองอคุณยมติต้องแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าทำยังไงแก้ยังไงตรงนี้ค่ะก็ก็แก้ด้วยการหาความพอดีค่ะเพราะว่าเราเคร่งเครียดมากไปทีนี้ก็พยายามที่จะหาจุดที่พอดีพอดีอ อันนี้อธิบายยากไหมคราเป็นเรื่องของความเข้าใจใช่แต่ลองเปรีบกลางตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องต้องเป็นคนฉลาดสามารถสังเกตมาระแห่งจิตของตนได้ตรงเนี้ยเหมือนอย่างพ่อครัว ค, คุณโยมติ๋วถ้าไม่รู้จักสังเกตรสชาติอาหารตัวเองไม่รู้สังเกตสังเกตว่าลูกค้าเรากินไม่กินเนี่ยมันไม่ได้เนาะเราต้องสังเกตแล้วก็ถ้าเรามีความอยากเนี่ยคือสมาธิเนี่ยเป็นของปล่อยเป็นของวางไง ถ้าเราต้องการจะเอาฉันต้องเอาสมาธิฉันต้องได้ฉันต้องทําฉันต้องรู้ฉันต้องเห็นโอ้โ oh หมันมีแต่ความอยากเว้ยมีความอยากเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ตัณหาเนี่ยนะจริงจริงๆ่ะท่านคะคือบางครั้งเนี่ยมีคนรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องการที่จะได้สมาธิมากเลยเข้าห้องพระเลยไปนั่งปุ๊บนะคะ ไม่ได้เลยฟุ้งซ่านมากเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาตลอดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจยากพักไปหาอย่างอื่นทําพอได้ที่ล้วคิดว่าตอนนี้ว่างอีกครั้งหนึงเพลิเพลไปทําในครั้งที่สองเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นดีมากอืซื่อเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นเพราะตั้งใจมากเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นความกังวลที่ว่าเดี๋ยวจะต้องทำโน่นทํานี่แล้วสิ่งที่จะต้องทําเนี่ยยังทําไม่เสร็จ จึงต้องเลือกเวลาด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นเวลาที่เราพร้อมที่จะไปนั่งปฏิบัติโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นมากนะค่ะบางทีต้องเอาทีเพิ่มส่วนอีอย่า ง, ออางใช่ค่ะอย่างเรื่องอารมณ์เสียนดิฉันชอบคำถามคุณเจ้าชายมาก อ, มอาจจะไม่เหมือนกันที่ว่าพยายามที่จะรู้ลมหายใจในระหว่างวันละอารมณ์เสียแต่ดิฉันได้พบว่าระยะหลัง เมื่อมาฝึกปฏิบัติแล้วเป็นคนอารมณ์เสียง่ายขึ้นอ๋อซึ่งอันเนี้ยก็ยังยังต้องแก้ไขอยู่เลยนะคะเผื่อจะมีใครเป็นแบบนี้บ้างมีคําอธิบายอย่างไรดีตรงนี้มันมีสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือถ้าตอนทําสมาธิเนี่ยระหว่างที่เรากําลังฝึกปฏิบัติเนี่ยจิตจิตไม่เป็นสมาธิให้นะอันนี้คือคุณก็จ ะ, ะไม่สามารถทําได้อันนี้คือก็อารมณ์เสียไป หรืออย่างที่สองคือพอจิตเป็นสมาธิแล้วแม้นั่งนิสายเลยยิ้มไม่ปวดไม่อะไรชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงได้เลยทำได้ทุกสัปดาห์ด้วยเวะลา 2-3 ส, สาครั้งก็ได้แต่พอออกจากสมาธิเท่านั้นแหละอารมณ์เสียมันก็มีกรณีที่สออย่างนี้ซึ่งกรณีที่2 อ, อย่างนี้ก็คือเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยไปยึดนะไปยึดเอาความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นนะ่ะว่าอันเนี้ยสุดยอดละ ฉันต้องการอันนี้มากที่สุดพอออกจากสมาธิเนี่ยไปที่ทำงานกลับมาที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นเลยพอมันไม่มีความสุขอย่างตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็เกิดความหงุดหงิดก็จะด่าจะว่าอารมณ์เสียต่างต่างเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจึงเป็นเขาเรียกว่าซึ่งพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ว่าเป็นการเข้าไปตั้งสยบอยู่ในภายในเห็นความสุขปีติสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยว่าเป็นของเรา พอไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีอาการเห็นไหมวิธีแก้ทํำยังไงก็คืออย่าให้จิตของเราเนี่ยไปตั้งสยบอยู่ในภายในก็คือว่าอย่าไปยึดว่าไอ้ความสุขสงบตรงเนี้ยเป็นของเรานะให้เห็นเขาว่าเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันมีเกิดต้องมีดับนะถ้าเข้าใจอย่างนี้เวลาออกจากสมาธิมีความสุขอยู่ออกจากสมาธิไม่ได้ความสุขนั้นเนี่ยเราก็ยังสบายอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เราก็ไม่เสียอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่ดี อย่างนี้ก็จะแก้ไปได้แป๊บนึงอันนี้ก็เป็นการต้องทําในใจคือต้องมีความรู้อยู่ก่อนหรือยั ง, งคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าวิธีการทำวิปัสสนานะคะซึ่งก็เท่ากับว่าต้องรู้หลักตรายลักษ์ว่ามันมีความไม่เที่ยงใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะอ่าคือคือคนที่ปฏิบัติแล้วยังอ่าอารมณ์เสียอยู่เนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยคือแน่ๆเลยก็คือว่า อความสุขเนี่ยที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่มันละเอียดกว่าประณีกว่าความสุขภายนอกพอเราไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะจะมีอาการไงเพะะื่อนเราก็ อ, อย่าไปยึดว่าไอ้ที่ความสุขที่ละเอียดกว่าเนี่ยเป็นของเราอืค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นการกระทําวิปัสนาส่วนนี้เรียกว่าวิปัสนาเลยใช่ไหมคะถูกต้องเห็นต้องเข้าถึงความจริ ง, รงใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ายัง มีความรู้สึกมดุดมิดไม่สบายใจหลังจากนั้นแปลว่าท่านยังอยู่ในขั้นของสมาธิยังไม่มาสู่ยังอยู่ของสมาถะไม่สามารถก้าวข้ามมาสู่วิปัสสนาได้ใช่แล้วก็ยึดสมาถะนั้นด้วยว่าเป็นของเรานี่มีปัญหามาก ม, มีปัญหากันเยอะไหมคะเนี่ยในลักษณะเนี้ค่ะสำหรับผู้ปฏิบัติก็มีบ้างนะมีบ้างมีบ้างมีบ้างเพราะว่าที่ฉันเคยได้ยินเพื่อนที่เคถามค่ะ แล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอจึงได้ทราบว่าเอหรือมันเป็นอาการปกตทิทั่วไปของคนที่กำลังอยู่บนเส้นทางฝึกฝนอยู่ก็คือว่าคือการที่เราเจอปัญหาเนี่ยดีแล้วนะเพราะว่าคือนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาผู้ฟังเนี่ยเอาเอาง่ายๆคนที่ฟังพุทธวจนะตอนแรกๆก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมพอฟังเข้าฟังเข้าโอ้มันใช่ใชไว้มันเวิร์กไว้อย่างนี้ เหมือนการการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางเพราะเราแก้ไขปรับตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าฉลาดในวาระจิตยอย่างตนไงจะสามารถทีรออ่รู้เข้าใจว่าอ๋อแง่มุมนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วจะยิ่งสามารถทําได้อย่างชํานาญและรู้วิธีการแก้ไขอะไรต่างๆดีมากเลยอืนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าโดยสรุปที่ดิฉันเข้าใจต้องกลับเรียนถามท่านว่าถูกไหมคือเราเองเราจะต้องเป็นผู้คอยสนใจที่จะ ปรับไปจนกว่าจะได้ที่อยู่ตัวเรื่อยๆโดยสังเกตถ้าเป็นภาษาพุทธวจนนะจะพูดว่าอย่างไรเหางที่ดิฉันก็ลองพูดเป็นผู้ฉลาดในวรจิตเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนอันนี้เป็นคำของพระพุทธองค์นะคะเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ฉลาดในวาระแห่งจิตของตน หมายถึงของท่านกันทั่วหน้าวันนี้ในมัห ก, การขอบคุณท่านพี่บุญค่ะได้เจริญพรพลังที่เคารพคะและสําหรับรายการของเราก็มีผู้ทวจนะที่จะให้ท่านไปศึกษานะคะทุกบทพยัญชนะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในหนังสือก้าวย่าอย่างพุทธะซึ่งท่านคึกฤทโสธิพโลวัฒนาปารพงลาลู ก, กาคลองศิษย์ได้มอบให้สําหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาที่0 2 2 6 9 0องสคนลา หเล่ม3ท่านต่อวันและก็ยังมีแผ่นเอ็มโดยท่านฝังของเราท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณมดได้ช่วยทํามาแจากรวบรวมทั้งในส่วนของท่านเคบูลหลากหลายที่แล้วก็ทั้งในส่วนของท่านคริสในช่วงของการเดินทางไปสังเวชนียสถานอันนี้แจกให้วันละ5แผ่นท่านละ1แผ่นที่เบอร์เดียวกัน0 2 2ย์สองสองาถามส่งมาได้ที่เบอร์นี้ด้วย และเช่นเดียวก็ส่งไปที่ w o r l d w i d e w e b p l t h a m a c o m 1 0 6ของท่านทีบูล น, นะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพีนงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้พูดทว่าสวัสดีค่ะ